คำสอนหลวงปู่เสามันมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อจําไม่ลืมสักทีคำสอนของหลวงปู่เสาเวลาไปปรฏิบัติท่านท่านจะพูดขึ้นมาลอยลอยเวลาเนี้ยจิตข่ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดก็ถามว่าจิตฟุ้งซ่าน อ, อย่างไรท่านอาจารย์ท่านตอบว่าอา้าวถ้ามันเอาแต่หยุดนิ่ง มันก็ไม่ก้าวหน้ากว่าจะเข้าใจความหมายของท่านก็ต้องใช้เวลาหลายปีท่านหมายความว่าจิตเวลาปฏิบัติเวลามันจะหยุดนิ่งปล่อยให้มันนิ่งไปอย่าไปรบกวนมันถ้าเวลามันจะคิดปล่อยให้มันคิดไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งเป็นจุดยืนในเมื่อมาศึกษาตามพระคำพีในบางแห่งท่านก็อธิบายไว้ว่า ฌานมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบนิ่งรู้ในสิ่งสิ่งเดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌ า, านมีแนวโน้มไปในฌานสมาบัติแบบฤาษีอีกอย่างหนึ่งพอจิตสงบลงไปนิดหน่อยและสงบลึกลงไปจนกระทั่งร่างกายโตต้ตนหายเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาอยู่ในระดับที่รู้สึกว่ามีกายความรู้ความคิดมันก็ฟุงฟ้งๆขึ้นมาอย่างกับน้ำพุ ซึ่งนักปฏิบัติส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านอันนี้มันเป็นสมาธิหรือฌานที่มีวิตกวิจารความคิดเป็นวิตกสติที่รู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารเมื่อจิตมีวิตกวิจารมันก็เป็นจุดเริ่มของฌาน น, นักเข้ามันก็เกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเกิดปีติเกิดความสุข ความคิดความรู้มันก็ผุดขึ้นมามากพอไปถึงจุดจุดหนึ่งจิตมันอาจจะแบ่งเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดไม่หยุดอีกมิติหนึ่งจ้องมองดูอยู่อีกมิติหนึ่งนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายตัวคิดไม่หยุดคือจิตเหนือสำนึกตัวที่จ้องมองหรือเฝ้าดูเป็นตัวสติผู้รู้ ตัวที่นิ่งเฉยอยู่เป็นตัวจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานเมื<ค>่อจิตสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตจะเป็นนิ่งสว่างโดดเด่นสภาวะทั้งหลายที่เป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตมันจะมีปรากฏการ์เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแล้วจิตนั้นหาได้วันไวต่อเหตุการณ์นั้นไม่ เหมือนเหมือนกับว่าสิ่งรู้ของจิตแยกออกเป็นประเภทหนึ่งจิตก็อยู่อีกประเภทหนึ่งเหมือนไม่มีความสัมพันธ์กันและสิ่งนั้นมันมาจากไหนก็จิตตัวนั้นแหละมันปรุงแต่งมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันจึงไม่เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเพราะฉะนั้นในคาสอนท่านจึงว่าปรรจุ ป, ปาทานขันธาทุกขา การยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เป็นทุกข์อย่างยิ่งคือในขณะนั้นจิตไม่ได้ยึดในเบญจขันธ์แล้ววิญญาณตัวรู้ก็ไม่ยึดความรู้ทั้งหลายก็ไม่ยึดเพราะฉะนั้นมันจึงแยกกันโดยเด็ดขาดจิตที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าพูดตามภาษาปริยัติเรียกว่าวิสังขานถ้าหากว่าจิตเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมา และไปหวั่นไหวต่อความรู้นั้นเป็นสังขาราอานิจจาสังขารไม่เที่ยง